อ, อย่าเสีเรียกเรื่องมาขอพอรที่วัดจะมีเยอะมากทําบุญเสร็จพนมมือ บอกว่าจะมาขอพรพระก็งงพระส่วนให้พรจบไปแล้วยังไม่ยอมกลับอยู่ตื้อขอพรอีกพระบอกให้ไปแล้วให้ตอนไหนฟังไม่รู้เรื่องผลสุดท้ายต้องให้ใหม่อีกรอบหลวงพ่อถามว่าตกลงจะเอาพรชั่วคราว หรืออ้าวพรถาวรโยมทำท่างงแล้วถามว่ามีด้วยหรือพรชั่วคราวกับพรถาวรหลวงพ่อตอบว่ามีมีคนมาทำบุญพ่อทำบุญเสร็จพระก็ให้พรว่าขอให้โชคดีมีความสุขในโยมนะ โอ้โหโยมเป็นปลืม้มนั่งท่องโชคดีมีความสุขโชคดีมีความสุขทำบุญเสร็จมีความสุขทั้งวันเลยวันนั้นรุ่งขึ้นพอตื่นนอนลืมท่องพรที่พระให้ทุกอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าพรชั่วคราว เป็นสุขเฉพาะตอนที่จำเนื้อพรได้พอลืมทุกต่อโยมคนนั้นเปลี่ยนใจแล้วพูดว่างั้นผมขอพรถาวรก็แล้วกันอ้าวง้นฝั่งดีๆนะโยมคิดดีพูดดีทำดีทั้งปีมีแต่พร ขามัวแต่สวดอ่อนวอนนอนไม่ทำดีแล้วอีกกี่ปีจะมีพรจํได้ไม่โยมยนี่เป็นพรท้าวอนให้พรครั้งเดียวได้ผลยาวสิบปีแต่ข้อสำคัญตื่นนอนปุ๊บต้องทองทุกวันทองเสร็จทำตามที่ทองรับรอง โชคดีมีความสุขร่ำรวยตลอดปี